Book two. 2ูเก้าเดวินเน่วันซา e วติสเดียนุสวันจันปิรมาเดียนุสวันอังคารอันตรเดส วันพุธ t r ร c ชียนัสวันพฤหัสบดีเคตวอร์ตาเดนสวันศุกร์เปนกตาเดนัสวันเสาร์ชสเตอร์นัสวันอาทิตย์ เซกมาดีนสสัปดาห์อาทิตย์สวายต์ตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นัวเปิรมาดีนูอีคิสเซกมาดีนู ว, วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ปิรมูยเดียนนาะอีระปิรมาดีนส วันที่สองคือวันอังคารอันทรุย d ดียนนาอีระอันตรา s สวันที่สามคือวันพุธ t r e โช o เ i ียนานาอีระเวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีเกตวรุยเดียนนาอี เดือนที่สีวันที่ห้าคือวันศุกเบงโตยเดีเบงนสวันที่หกคือวันเสารชตยเดียชสวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ซตยซ หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน s a a i te tur s e p i e n n a s เราทำงานเพียงห้าวัน mes derbame tix p e i e n a s